ก็รู้จักคำว่าดีและชั่วเมื่อเราเข้าใจในคำว่าดีและชั่วของอารมณ์แล้วเขาเรียกว่ามีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาดีแล้วเนี่ยเรยกาก็สามารถจะอยู่กับคำว่าบุญของธาตุสี่คือกายมนุษย์ด้นีน่นี่ยเขาเรียกว่าสมบัติด้านเดิมก็คือคำว่าธาตุสี่ซึ่งตายเต้ามันจะคำวมาสุขชินนาเราลองสิเราลองไม่สารวจอารมณ์สิ ธาตุสังสีจะมีใช้เพียงปัจจุบันเท่แต่หลังจากธาตุสังสีละลายไปแล้วจิตตรงนี้มีอกุศลกรรมเป็นเป็นที่กําเนิดอบายภูมิก็จะเปิดขึ้นสําหรั บ, บุคคนที่มีอกุศลกรรมเช่นนรกหรือสัตว์เปรตอสุรกายตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงธรรมนรกหรือหรือเปรตอสุรกายแต่เรามาดูดูพฤติกรรมของสัตว์สัตว์แปลว่าไม่รู้อะไร สมไหมที่มนุษย์นั้นเกิดเป็นสัตว์เพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์ทําตนเป็นผู้ไม่รู้จักอะไรในเรื่องบุญและบาปสร้างพฤติกรรมของคําว่าบาปในลักษณะทำตนเป็นไม่ไมรู้และผลบาปนั้นเกิดขึ้นมาสร้างตนเป็นสัตว์นั่นแหละเขาเรียกกรรมของเราจึงมีคํ า, คากล่าวที่พระเจ้ากล่าวขึ้นว่ากรรมุนาวัตติโลโกโนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตารรมถ้าเราเป็นผู้รู้เราก็คงจะได้ดีกว่านี้ แต่นี้เราทําเป็นผู้เป็นผู้ไม่รู้ใช่ไหมครับเป็นไม่รู้บาปแต่นี้เมื่อบาปมันมันกำหนดขึ้นมาในลักษณะอวิชชาแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำไงแล้วก็น้อยใจในความเป็นสัตว์แหมรู้อยู่นี้ทาดีสักก็ดีรู้ว่าจะต้องเกิดมาเป็นสัตว์นานาชนิดแล้วก็ทําดีสักก็ดีแต่มันสายเกินไปแล้วในเมื่อจิตดวงนั้นาธาตุของเรามันต่ําลงไปเขาเรียกว่าธาตุต่าำๆคือธาตุสัตว์จิตต่าำๆก็คือจิตสัตว์ มนุษย์ดีๆเขาเรียกว่ากายธรรมแล้วก็จิตดีดเขาเรียกว่าจิตสูงจิตสงก็ถึงแปลว่ารู้จักดีจักถูกนี่เกิดขึ้นจากคาว่ามันสํารวมจิตในคําว่าศีล ส, สมาธิและปัญญาเมื่อเราสํารวมอยู่ประเภทอยู่นี้อยู่เรื่อยๆที่กเขาเรียกว่าทําต่อเนื่องกันเป็นคําว่านิจศี์ยิ่งทําทุกนาทียิ่งทําทุกลมหายใจเที่ออกแล้วจะเกิดเป็นการสํารวมที่ดียิ่ง เพราะว่าอนาคตแปลว่าความตายใช่ไหม ย, ยังไม่แน่ว่าเราจะตายวันไหนไม่มีใครบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าอนาคตแปลว่าไม่แน่ไม่รู้ว่าชีวิตเดนั้นจะไปตกตรงไหนเพราะว่ามันมีความตํ้คัญอยู่ในชีวิตของเราทุกคนก็คือลมหายใจเข้าออกตอนนี้ถ้าลมมันออกไปแล้วมันไม่เข้ามันก็น่ามันเข้าไปแล้วมันไม่ออกมันก็นา ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในชนชั้นวรรณะมัง่งมียากจนแค่ไหนก็ต้องเน่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เรื่องนี้จะเน่าจงดูเรื่องราวของอารมณ์เพราะนั้นจึงเขียนคําสัจธรรมที่เทวธรําถอยหลังให้ดูไว้ถึงสี่ประการเรามาอ่านดูได้ในป้าคําเหล่านี้เป็นคาสัจธรรมถอยหลังเท่านั้นที่พระเจ้าจะบอกว่ า, าวดินจะเห็นตัวกระทั่ ดิ น, นหมายถึงของแข็งของแข็งหมายถึงกายมนุษย์กายสัตว์จงดูกายมนุษย์และกายสัตว์ที่ต่อดําเนิดขึ้นในเรื่องของกรรมถ้าจิตมีสติสัมปชัญญะนะหมายว่ามันได้หลับ ก, การทักศาสนาและจะรู้จักกรรมถ้าคนไหนไม่เข้าใกล้ศาสนาและคนนั้นยากที่จะรู้จักกรรมอีกเหมือนกันเพราะะฉนั้นคาว่าดินจะเห็นตัวการทำหรือดินจะเห็นสังขารนั้นก็หมายถึงลักษณะสังขารที่มีกรรม สังขารของมวลมนุษย์ที่เรียกว่ามีชีวิตแล้วได้ชื่อว่าเป็นสังขารกรมแต่ว่าในสังขารกรรมนั้นมันเป็นประธานยังไม่ตัดสินลงไปเลยว่าสังขาร น, นั้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่พระเจ้าไว้กาไว้เพียงประธานของของกรรมมัชฌิมคือสังขาร น, นี้มีทั้งดีและชั่วติดตัวมาถ้ามีนิสัยดี ในคำว่าอบรมศีลธมาที่ปัญญามันดีก็คงจะได้สังขารที่ดีต่อไปใช้ดีๆต่อไปคงจะพยุงสังขารในดีอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้ามีนิสัยดีแต่ถ้าไม่มีนิสัยดีที่แท้เรานิสัยที่ไม่สนใจในธรรมชาชีวิตเอาแต่อารมณ์มาใช้เอาแต่อัตตาการเห็นแก่ตัวมาใช้เห็นแก่อารมณ์มาใช้วันหนึ่งสังขารนี้จะต้องร่อยหรือ เพราะเกิดขึ้นจากนิสัยที่ไม่ดีสะสมเข้าไว้เพราะนั้นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะแล้วจึงตอง่องร้องจึงจะต้องระมัดระวนในการดูดินคือดูสังขารเมื่อเรารู้จักสังขารคําว่าสังขารที่จะใช้ดีใช้ชั่วได้ต่อไปเราก็ดูขั้นต่อไปลมานาม้ําจะเห็นเป็นที่เลี้ยงสติธรรมของพระเจ้าเลี้ยงเราหรือว่าสติของโลกเลี้ยงเรา สติของโลกเขาเรียกว่ามีโลกโกรหลงเป็นใ น, ในิ่งสติของธรรมเขาเรียกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นใ น, ในิ่งถ้าพระพุทธธรรมประสงค์หล่อเลี้ยงจิตดรงนั้นจิตดรงนั้นจะผ่องใสมีการให้อภัยและไม่ถือในบุคคลผู้ไม่ายุ่เป็นอย่างเขาจึงเรียกว่าจิตที่เป็นพรหมแต่ถ้าโลกโกรหลงมันเลี้ยงแล้วจิตคนนั้นจะเศร้าหมอจิตคนนั้นจะมีแต่ทุกข์เขาเกิดขึ้นจากคําว่า เราไม่เข้าใจในสิ่งที่หล่อเลี้ยงทางจิตแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องคาว่าการหล่อเลี้ยงทางจิตแล้วใครบ้างที่ทไม่อยากจะทาจิต ท, ทำใจให้ดีใครบ้างอยากจะได้จิตที่เศร้าหมเราก็อยากจะได้จิต ท, ที่สดใสทางนั้นเพราะนั้นถ้าเราอยากจะได้จิตที่สดใสเราก็ต้องมาศึกษาวินัยของพระพุทธเจา้าเรามีพระพุทธเจ้าไว้เพื่อให้เรามี่เปลี่ยนนิส like, ัยไม่ใช่ว่ามีพระพุทธเจ้าไว้ให้ใหปล่าเฉยเฉย หรือให้มองที่เฉยอย่าเช่นอย่างพระพุทธเจ้าองค์พระปฏิมากรนในตู้ที่เราเก่าเมื่อกี้เนี่ยท่านให้ดูเยี่ยงอย่างธรรมะหรือคําสอนที่ท่านกล่าวไว้แล้วเป็นวินัยข้ออะไรที่ท่านห้ามอย่าไปทําข้ออะไรที่ท่านทรงอนุญาตและประทับหิมาพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเอาอะไรจากเราไม่ใช่มาปิดบังอัมพาตไม่ใช่มาบอกมาลวงกายพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความบริสุทธิ์ คือสัจธรรมข้อเทจริงจึงเรียกว่าอภาสุติเจ้ามองไปตะไกลสักนิดหนึ่งถึงเรื่องราวของผู้เจา้าในสมัยเมื่อ 2,530 ปีที่แล้วผู้เจา้าทรงสั่งสอนในสัจธรรมที่มีเหตุผลมีข้อยุติไม่ใช่ว่าธรรมปริยายไม่ใช่ทำโมฆะไม่ใช่ทำลมๆเล้ลงๆไม่ใช่ทำอย่างที่เขากล่าวกมาแต่เป็นธรรมที่ประกอบไปด้วยคําว่าเหตุและผล อย่างเช่หนหลวอาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้เราลองทําดูก็ไดษถ้าเราใช้อารมณ์ที่ไม่เข้าใจมาเลี้ยงจิตแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสมมติ ว, ตมว่าตัวโปรธมันปรุงแต่งจิตเราขึ้นมาในแล้วเราไม่ยับยั้งขึ้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในเมื่ออารมณ์มันปรุงแต่งจิตแต่ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะก็จะรับในคาว่าอารมณ์โกรธอย่นั้นได้ เพราะไอ้กโกรตัวนี้มันสามารถจะบริหารการงานได้ทุกชนิดตั้งแต่หน้าพอ่อหน้าแม่มากระทั่งหน้าของคนทุกคนที่ขวัญหน้านี่เห็นไหมตกลๆแล้วมันจะทําให้เราเศร้าหมองขนาดไหนถ้าเราไปใช้ในคําว่าสติของของโลกหรือว่านิสัยของโลกหรือว่าอารมณ์ของโลกที่ปตึงแตนและดูหน้าพระพุทธเจ้าที่มีสติทานําสติเดินนะกขันของใสขนาด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 ที่เขาเรียกว่าดีแต่ฟูนักบวชสมัยนี้ถือตําราเอาแต่พูใครที่เรียกว่าตําราเดินหน้าโตธรรมไม่มีธรรมโลกุตตระที่นําไปนี้เขาเรียกว่าธรรย้อนหลังดูยิ่งอย่างคนดีธรรมจึงมาตั้งคำสาอาคําสอนในนี้เกิดขึ้นในสถานที่นี้เพื่อจะให้สติและสัมปชัญญะของเราทุกคนย้นไปดูความเจริญของบุคคลที่เขาหมินทำกะ ว่าบุคคลที่ต้องมีธรรมมีสินมีสมาธิมีปัญญานั้นะ เ, เขาทำกัน เ, กเป็นไรเขาจึงกลายเป็นบุคคลที่ผ่องใสไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขามีจิตใจที่ผงองสัยังไงเขาทํ า, าไมจงจริงใจต่คําว่าบุญกุศลที่กขาทำนักัวทําไมจะมีความจริงใจต่อเมฆธรรมะที่ตนเอบวชขึ้นเพราะเขาเขา้ขาใจในธรรมะสิ่งนี้แล้วเขาจึงได้ความสดใสจะทําบุญแต่ละที เขาก็มีจิตใจที่ผ่องใสแต่ไม่ใช่ว่าทําอย่างเสียไม่ได้ทําอย่างเกรงใจถูกบังคับนะหรือว่าทําตามกันมาทําโดยไม่มีความเข้าใจในบุญนั้นเขาเรียกว่าบุญโหมดคบุญไม่มีข้อยุติยุอ่าบุญที่ไม่มีเหตุมีผลบุญที่ไม่เข้าใจในธรรมศาสตร์จัดทำโดยพระพุทธเจ้านี่เราจะเห็นถึงถึงคําสอนของโลกุตตะระคำสอนของโลกุตตะระนี้เขาเรียกว่าธรรม ท, ที่ไม่ใช้ทําในกัมภี์ตําหลา มีจริงในตำราขอมภีนะ์ไม่ใช่ปฏิเสธแต่ปฏิเสธในลักษณะที่บุคคลเรารู้แล้วไม่ทําและตำนานเรื่อนั้นมีประโยชน์ไหมสําหรับบุคคลนั้นถึงจะเรียนจบไปถึงขนาดพระใจประโยชน์รเรียนก้าประโยชน์หรือจะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเป็นต่าเป็นผู้ประเสริฐในเรื่องการเรียนการศึกษาแต่ไม่ใช้วิชาในการเรียนเหล่า น, นั้นมันเป็นลักษณะใช้ในะชีวิตจะมีประโยชน์ไหมตำนานเรื่อนั้น เราดูสิประเด็นจบประเดี๋ย้าประโยคน์ทำไมต้งศึกมันงงเก่งจบพุทธศาสนาบัณฑิตทําไมจะไม่มีรูปี้ไม่มีพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ในพรณะใต้ธรรมะแล้วไม่ย้อนหลังคือไม่ย้อนหลังไปอยู่คำเมืองและหวังต่อไปนั่นคือสัจธรรมที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกุตตรธรรมจึงเรียกว่าทำชี้ที่ให้ดูในปัจจุบันมาเขาทำกันอย่างเขาจึงมีธรร และคนที่ไม่ทำนะ่ะมีทำไดนะ้คนเราจะมีทรไมให้่าวมีไปตามลักษณะที่เรียนรู้และจำได้ทธรรมการสร้างธรรมต้องเกิดขึ้นจากธรรมธาตุทั้งสี่เป็นต้นไป<ล>วาจาของตนเป็นต้นไจิตของตนเองเป็นต้นไปจึงเขาเรียกว่าแก้วสามประการคนที่จะเป็นแก้วสามประการนด้กคืต้องอาศัยสัจธรรมพุทธเจ้จึงบอกว่าน้ามันจะเห็นเป็นที่เลี้ยง ขอให้มีสติสักนิดนึ่งว่าอะไรนเนี่ยเลี้ยงจิตสังขารวาจาเนี่ยเาเรียกว่าธาตุรับใช้จิตจะสั่งงานอย่างไรสังขารก็จะใช้ไปตามจิตที่สั่งหรือวาจ า, าจะให้ด่าจะให้ว่าอย่างไรนะวาจามันก็จะกล่าออกไปถึงเรื่องการจิตชิดชัยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสังขารของเราก็คื อ, อบุคคลที่อ่อนโยนหรือว่าธาตุที่อ่อนโยนจะให้ทําอะไรก็ได้ทําดีทาชัว่วทําได้ทั้งนั้นแหละมันขึ้นอยู่ว่า พ่อคิดเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตของตนน่ะอะไรเป็นเหตุเป็นผลหนอเลีจิตของตนเป็นอย่างนี้ให้เราเข้าใจให้ดีๆเป็นเรื่องหลักการของศาสนาที่เป็นศัตรมเมื่อเราเข้าใจในคําว่าน้ําที่เราเลี้นทางจิตต่อไปพระเจ้าประสงสั่งสอนให้เข้าใจดึงํามว่าลมจะเห็นตนกระเขาบุคคลที่จะรู้ว่าตนเองทาดีทําชั่วก็ต้องอาศัยพระมลลมหายใจเข้าหายใจออก แต่ถ้าไม่มีลมอันนี้เกิดขึ้นแล้วในลักษณะที่เรียกว่าเป็นผู้รับใช้ความดีความชั่วของจิตดุลนั้นหมดที่เขาเรียกว่าขนตับคนเป็นๆต้องรู้จักคําว่าลมที่ใช้ต้องรู้จักคําว่าลมาลมคําอะไรมือของเราตบหน้าคนนั้นไปวาจ้ากล่าวไปมือของเราไหว้พระมือของเราใสาบ่บาตรมือของเราทําสมาธิมือของเราไปทําอะไรขาไปทําอะไรลมจะเป็นผู้บอก ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเป็นวินยัยเ้าเรียกว่ามีหลักการของศาสนาเป็นพื้นและต่อไปเราก็จะกลายเป้พวกอันตรธานพวกอันตรธานที่จะบริหารกายบริหารจิตของเราให้เป็นอวิชชาที่เดวะต ก, กมาเราก็เกิดเป็นสัตว์หรือเป็นพวกที่เดวะไม่เข้าใจบุญบาปนั่นก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมิตรสิ่งที่เรียกว่าไฟตามลักษณะภาษาท้องถิ่นก็เรียกว่าราขัตทิโตสักขีโมหทิ บุคคลนั้นไม่มีจิตใจเข้าใจความร้อนของของความโลภความ โ, รโกรธความหลมันอาจจะทําให้เราไกลจากพระพุทธเจ้าไกลคุณพ่อคุณแม่ไกลปู่ย่าตายายไกลเพื่อนสูงไกลเพื่อนมนุษย์โน่นเลยไปอยู่โน่นเลยสี่ขาหางยาวโน่นเป็นวัวเป็นควายหมูหมาตางไก่แล้วมันไกลไปนขนาดไหนไอ้คําว่าไกที่มันผักรวไปนี่เนี่ยเรามาหยุดจังในคําว่า สร้างความเข้าใจกับพระพุทธศาสนาสักนิดนึงชีวิตวเราก็คงจะดีที่นักบวชก็จะต้องมีอุบาสกอุบาสิกาเขาคงจะต้องดีถ้าเราเข้าใจในวิถีชีวิตของตนเองว่าชีวิตนี้เรามาปลดเปื้องเรื่องของกรรมมันสร้างความมันสร้างในสิ่งที่เป็นคุณธรรมสู่ความดีตามเยี่ยงอย่างของศาสนาที่เราเลิกบูชาขึ้นด้วยจิตใจที่เดวัดศรัทธาและเริ่มใสอย่ามาทําจิตใจในประเภทที่เดกว่า ถื อ, อย่างเสียไม่ได้ถือตามคำมัถืออย่างเกรงใจหรือว่าถือแบบบังคับโดยกำหนดไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องของพุทธมามกะ บ, บาสุปวติตาและไม่ถูกต้องสำหรับนักบวช ด, ด้วยมันเป็นลนักษณะที่เขาเรียกว่าหน้ามือไปหลังมือบวชเข้ามาทั้งทีน่าจะได้ดีกลับได้บาปเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีน่าจะได้ดีแต่ทำไมต้องตกมรรคเกิดเป็นสารทาไมจะต้องมีพระพุทธศาสนาให้เรากราไหว้ ถ้าไม่มีสัพพันญูมาเกิดขึ้นไม่มีสัพพันดูมาสอนสั่งจิตจะเป็นอวิชชาทั้งหมดเราไปดูพวกชาวโดงชาวป่าที่ไม่มีศาสนาที่อาศัยไม่มีพระไปชี้แจงไม่มีพระไปสอนสั่งแล้วมนุษย์เหล่านั้นเป็นยังไงบุญบาปทํานไม่สนใจท่านจะสนใจแต่เรื่องกินเรื่องนอนท่านจะสนใจแต่เรื่องกรมคุณต่างๆนี่เป็นลักษณะแบบนั้นเขาเรียกว่าคนไม่มีศาสนา ถือศาสนาต้องได้ดีถ้าถือจริงๆเราดูอย่างอนามิทิกาเศรษฐีเป็นตัวอย่างมิสาขาเป็นตัวอย่างเขาถือศาสนาจริงๆแล้วเขาได้ดีขนาดไหนพโมกขลาภาษาลิบุตรถือศาสนาจริ ง, รงๆแล้วได้ดีขนาดดูคนที่ไม่ถือศาสนาเป็นดีไหนดูเทวทัต ไ, ไม่จริงจังต่อศาสนาทําร้ายพระพุทธเจา้ดาด่าพระพุทธเจา้าหาทางฆ่าพระพุทธเจา้า แล้วเทวทัตเป็นได้ชื่อว่าชั่วที่ชั่วที่ตุดมันก็เลยจะตกนรกเป็นอันดานเดกกรรมทำร้ายโอรสของพเจ้า ก, ก็เหมือนยังโยมเหมือนกันพระเนไม่ชีเหมือนกันลองทีเนี่ยลองไปตกหน้าแม่เท่าทีทำบุญสักหมื่นครั้งแสนครั้งก็มันสามารถจะลบรอยหน้าแม่ได้หรือตกหน้าพ่อเททีเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดสังขารอาศัยอะไรขึ้นมาเป็นแรงในการสร้างบุญบ เรากำลังเริ่ขึ้นมาในฐานนี้ไม่ไม่เระจายในกลุ่มในกูุมไตบหน้าพ่อน้าแม่ปุ๊บเดียนั้นเป็นอ น, น, นันตเดชกรรมดาหน้าพ่อน้ า, อาดาพ่อด่าแม่ทีเดียนั้นพารุสบังหรือแม้แต่ออมพระพุทธรูปในตูน้ใครเรามาตบหน้าทั้งๆ้ที่ไม่มีบินยำได้ชื่อว่าทําร้ายแล้วด้วยจิตที่เจตนาทําแล้วด้วยกายที่เจครบอาการสาทุสองเป็นอนันตเดชกรรมนี่ย ถ้าเราไม่รามัดระวังถึงเรื่องผู้มีพระคย์ุนแล้วชีวิตก็ก็ยากที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพระเจ้าอัญชาติศัตรูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่อาชาติศัตรูได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมเทวทัตทำร้ายผู้เกิดใจได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมเพราะกรรมทั่วที่ได้ทํานี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทาโลกุตตระจึงเรียกว่าทำชี้ชี้ให้รู้จักว่าบุญควรทําหรือไม่ควรทา บาปควรทําหรือไม่ควรทำแล้วเคยฟังทำที่พระตันฑ์สวดคนตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วกุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาจิตทุกดวงที่มามาด้วยกุศลและอกุศลจิตทุกดวงที่ไปนั้นก็ไปด้วยอกุศลและกุศลเกันกุศลก็จะทําไปสู่ความเป็นคนที่เรียกว่ามนุษย์อินทรพิวัตแต่ถ้าอากุศลก็ตกนรกเกิดเป็นสัตว์เป็นอบบาบัยนี่มันเป็นลักษณะ เพราะนั้นบุญที่หนึ่งปัจจัย่บุญชั้นที่สองใช้กายวาจาจิตมาฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกบุญชั้นที่สองอาศัยกายวาจาจิตตังตนเองมาสร้างเป็นบุญเป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถไม่ใช่ปัจใจสี่แล้วปัจจัย4นี่าอาศัยคน อ, อื่นเขาทำแต่ถ้าเราเอากายมานั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกว่าอัตตาหิตเรามีพร้อมในคำว่กายวาจาจิตมาศึกษาธรรมปฏิบัติเป็นบุญชั้นที่สองาชั้นที่สองของเขา มีข้อยุติอย่างนี้ในบุญข้อที่สองนี่เขาเรียกว่าหมั่นสํารวมกายวาจาจิตอยู่ด้วยสินสมาธิปัญญาแล้วจิตตรงนี้จะดีกายอันนี้จะดีต่อไปเราก็จะได้มีกายดีๆและจิตดีๆอนี้ต่อไปในอนาคตส่วนบุญชั้นที่สามนี่เขาเรียกว่าบุญชั้นพระอฤาจารโดยอาศัยจิตดวงเดียวเป็นเครื่องกนกัที่เขาเรียกว่าเอกับจิต จิตที่ตัดขาดจากอุปาทานความยึดมั่นในโลกกับโลทั้งหลายนั่นเขาเรียกว่าจิตของพระพิจิตรเป็นบารมีชั้นสูงเป็นบุญชั้นสูงของเขาเป็นเรื่องราวของพระพิจิตรอีกทีนะเพราะฉะนั้นที่เรามาทํากันอยู่นี้เขาเรียกว่าหนึ่งเราทําปัจจสี่สองทำด้วยการวาจาจิตสทําด้วยจิตภาวนาสประการนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลของเรามาตลาย ถ้าเราจะมีความขยันหมั่นเพียรในลักษณะขอ ง, ของคําว่าศรัท ธ, ธาประสานธรรด้วยสติและสัพพัญญะของเราก็จะได้เห็นได้ผลในการฟังทำปฏิบัติธรรมพราะนสถานที่นี้จึงเป็นสถานที่ให้ข้อคิดแล้วก็ให้สติให้เป็ น, นเมื่อเราได้ข้อคิดสติปัญญายแล้วเราก็ทําขึ้นให้เป็นอาาันตราแล้วเราก็จะเข้าใจในคำ ว, ว่าชีวิตมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ มีข้อคิดข้อหนึ่งที่ทำเขาบอกว่าชีวิตของเจ้าที่เท่าของฉันคือดินน้ําลมไปขันห้าหรือวิญญาณเขาจะประกาศทันทีว่าไอ้สิ่งที่อาศัยนี่เป็นของฉันนะแต่จิตนั้นเป็นของเธอนะเธออย่ามาโกงเถอะไม่ได้นะถ้าเธอโกงอะไรเธอจะเสียคนเธออาจจะเอาท่าของฉันนี่ไปโหงเพงนั่นแก่ผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาเธอจะได้รับกรรม เพระเธอไม่ยึดถือฉันเกิดเธอทําไมไม่ยึดถือจิตของเธอในลักษณะสติธรรมนาสติเดินนะถ้าเราเข้าใจาอย่างนี้แล้วเราเข้าคงจะไม่หลงในธรรมะสังขารที่เราอาศัยเกินไปนะและไม่หลงในธรรมะทรัพย์สินสมบัติที่เราอาศัย<ต>ก็อาจาจะมีสุี่นําเป็นนิน่ยให้คนโน้นจ่ายคนนี้ช่วยเหลือกันไปตามภาษาของผู้ที่มีโคบวาจามีไว้กล่าวถึงเหตุผลในธรรมะบุญและบาป หรือว่าชี้ทางต่างๆที่เราควรทําและไม่ควรทาส่วนจิตนั้นเก็บไว้ถึงนคำว่าเหตุผลของสติครับที่เรียกว่าองค์พลัฒนาใจสามประการนี้ถ้าคนนั้นไม่อยู่แล้วคนนั้นไม่ประมาทดูสิพระเจ้าเนี่ยนะประมาทหมายสอนให้ทุกคนประมาทเบื้องสุดท้ายต่อพระเจ้าเราจากนี้พพานนะเธอทั้งหลายจงมีทำเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเถิด เพราะอย่างอื่นนั้นไม่เป็นพื้นที่จะพึ่งดังมันเพียงเพียงอาศัยเท่านั้นเนี่ยท่านชี้ตั้งแต่กายไปเลยกระทั่งนู้นเลยสมบัติพัฒนาเครื่องบริวารทั้งหลายและชีวิตของคนอื่นเป็นเรื่องอาศัยแม้แต่พัญญาแม้แต่สามีแม้แต่พ่อแม่แม้แต่พี่น้องแม้แต่ลูกแต่เราเขาก็มาอาศัยในคําว่าสังขารแห่งความสามัคคีร่วมเราก็จุนเจือไปตามลาักษณะ ในลักษณะที่รู้ว่าสิ่งนี้อาศัยร่วมกันต่างคนต่าง ม, มาต่างคนต่างไปในธรรมเขาจึงบอกว่าชีวิตของเจ้าที่เท่าของขามก่อนที่สังขาร น, นี้จะกลายเป็นที่เท่าหาเรื่องราวดีๆขึ้นเขาจะเรียกว่าได้ประโยชน์จากสังขารในเรื่องการบำเพ็ญบุญได้ประโยชน์จากสังขารในเรื่องการทํากิจเป็นเอกัได้ประโยชน์จากสังขานน ร, า ร, ท, าราขาที่เรียกว่าปัจจัยสี่ทาสิ่งขึ้นมา ก็าหาเวลาใส่บาตรมีเงินมีทองก็จุนเจือเผื่อแผ่ไปตามลักษณะภาษ า, าของคนที่มีใจดึงให้อภัยในอุบัติเหตุของอารมณ์บุคคลที่ไม่กตับใจเหมือนก้าเรามาศึกษาทำแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการให้อภัยต่อผู้อื่นด้วยเขาจะได้ว่านับปลับดูพูะเจ้าเนี่ยเทวชัดดืนด่าหรือว่าพวกเดลถีดึงด่าเฉยนิ่งเหมือนชาวเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าแพ ไม่เถียงเขาสักคำเลยพุทธเจ้าบอกผู้รู้ยืนนิ่งอยู่เป็นผู้ประเสริฐผู้ไม่รู้รกลับวออกไปนั่นคือเดรัจฉานเห็นไแล้วคนที่กล่าวด่าเขาโครมโคลมไปนันเขาเรียกคนรับกาวคนยืนนิ่งอยู่เฉยๆเขาเรียกคนดีดูเขาจะได้บอกลแล้วาลาจึงแปลว่าเฉยเฉยเพราะความรู้ไม่ใช่เฉยแบบมหาวิชาไม่ใช่ว่ากัดฟันเฉยวันแต่เฉยแล้วว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็น เขเรียกกว่าพูดกระสนี่แหละเขาเรียกว่าอย่างที่เราได้ยินพูดกันตามภาษาของเราว่าแท้เป็นพระชนะเป็นมารเอาที่อยากจะชนะปัชนะไปอยากจะยินดา่าอยากจะว่ายอยากจะโจอยากจะทํำลายท่าก็ทําไปสิแต่อย่าลืมนะว่าเราจะต้องรับกรรมแต่การให้อภัยไม่ถือไม่โกรธไม่เคนะืองนั่นคือเรื่องดีเรื่องของคนที่จะมีธรรมและมีสุีเนี่เราทุกคนก็ต้องจังไว้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 นั่นคือคาาการตัดเตือนหรือการช่วมติ่งที่พระพุทธองค์นั้นทรงให้ข้อคิดกับเราทีวิตของเรานังนะมีค่าอยู่กับธรรมะแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็อาจจะเป็นขี้ค่าของอารมณ์หรือเป็นขี้ค่าของกรรม เรารู้อยู่แล้วว่าคนที่มีค่าหรือไม่มีค่าเน่ะเป็นยังไงอย่างพระพุทธองค์ของเราเนี่ยพระอรหันต์ตาวกทั้งหลายในยท่านมีค่าหาค่าไม่ได้คือในโลกนี้จะไปเปรียบค่าของพระพุทธเจ้าหรือค่าพระอรหันต์ไม่ได้เลยคือไม่มีอะไรไปรตีค่าสูงเท่ากับค่าของอของพระอรหันต์หรือค่าของผู้มีธรรมะ เนี่ย <tang> ท <ar> ุกดวงจิตนะควรจะมีความสำนึกขึ้นว่าเราเนี่ยมาเสริมสร้างธรรมะเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างบุมบุศลนแก่ชีวิตตนให้มีค่าขึ้นเมื่อจิตของเรานั้นมีการตักตวงหรือว่ามีการประพฤติที่เป็นธรรมะไว้มากๆกระม่อมเสมอในชีวิตที่เรายังมีลมหายใจเข้าออก ก็จะได้เกิดเป็นความภูมิใจว่ า, าเรานี่มีธรรมะขึ้นมีความสงบขึ้นในกายของตนและกับจิตของตนบาคนที่มีความสงบนั้นเขาเรียกคนมีเหตุผลคนเรานะ่จะสงบมาเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลทำไมมีแล้ว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 ขอให้มีความเข้าใจและก็ให้มีความสำคัญถึงที่เป็นของตนเองเราจะต้องเดินทางต่อกันไปอีกไม่ใช่ว่ามาหยุดเพีย ง, ยยงแค่ร่างมนุษย์เฉยๆนี่เขาเรียกว่าร่างของมนุษย์นั้นก็คือร่างของจิตที่ถูกดสบ ว่าในขณะที่ติของเรามาอยู่ในร่างมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคน้นคําว่าธรรมะได้ขนาดไหนแล้วก็ค้นคำว่ากรรมได้ขนาดไหนและเราเมื่อเราค้นไปแล้วเนี่ยเราไปพบธรรมะเราไปพบกรรมแล้วเนี่ยอเราปรับปรุงมิตรใสของกรรมอย่างไงแล้วก็ปรับปรุงมิสัยของธรรมอย่างไงในช่วงขณะหนึ่งที่เรามาอยู่ในร่างของมนุษย์นั่นคือการทดสอบเนี่ย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 เรามีความสําคัญหรือเรามีความเข้าใจในะครับว่ากรรมที่เรามากําหนดหรือทําที่เรากําหนดขนาดไหนเขาจะให้ ร, ระยะช่วงหนึ่งคือช่วงระยะหเหมือนอย่างดินปาอากาศเขาบอกไว้เนี้ยฉันสามารถพิสูจน์ถึงผลการกระทำของเธอได้ทุกดวงจิตเพราะฉันมีสายลับอยู่ในจิตของเธอคืออะไร ภาตทั้งสี่นะนั่นแหละคือสายลับลที่เขาจะคอยติดตามจิตตวงนี้ต่อไปดินน้ำลงไฟเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกถึงนักษณะว่าจิตตวงนี้คิดยังไงใช้ภาพุทำยังไงที่เขาเรียกวายฝังขาใช้วาจาง ใช้ความประพริเไปนในทางไหนเขาจะไม่ทัดทวงในฐานะที่เราเป็นผู้รู้หรือไม่รู้แต่หลังจากจิดตดวงนี้ออกจากค่าสี่ไปแล้วค่าทั้งสี่จะฟ้องจะพร้องเลยว่าจิดตดวงนี้นี่ทำอะไรไปบ้างดีหรือชั่วขนาดหน จิตเขาเรียกว่าถ้าทั้งสี่ติดตามบันทึกความประพฤติของจิตหนีนเองทำไมจึงพูดอย่างนี้กระพระพุทธองค์นะทรงอย่างถึงดินฟ้าอากาศอย่างไรแลนะเห็นอย่างไงอาจจะเพราะว่าเราจะไปทำอะไรตรงไหนถ้าทั้งสี่นี้เขาจะไปชุมกันเลยเหมือนกับคนสี่คนนั้นมองดูลราทำอะไรอยู่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 เมือนอย่างพระองค์ท่านเพงรงกลัวต่อดินฟ้ากันยังไม่ได้เอาวินัยปัจจุบันนี้มาพูดนะไม่ได้เอาสินห้าสินแปดสิสิบสินสอรอยี่สิบเจ็ดหรพูดแต่เราเอาหัวใจของกรรมหรือบุคคลที่ติดตามจิตตรงนี้มาพูดในฐานะที่เรามาพบโลอุตละธรรมไม่งั้นพระองค์ไม่ทรงบัญญัติไว้หรอกไม่ทรงสอนไว้แล้กว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนีไม่พ้นกฎของกรรมเพราะธาตุทั้งสี่ถ้าทํากรรมดีธาตุทั้งสี่ก็คงจะดีขึ้นถ้าทํากรรมชั่วธาตุทั้งสีนั่นก็คงจะแย่ลงไปคือต่าลงไปจึงมีมนุษย์มีสัตว์ให้เรา